พระธรรมเทศนาแผ่นที่86ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่11ตุลาคม2558มีชื่อเรื่องว่าลิงตาบอดลูกยอดกระตันยู วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2558วันพรุ่งนี้เป็นวันพระแรม15ค่ำเดือน10เดือน10ดับหนะ้าพี่น้องจทธายาติโยมลูกหลาน ใ, นใครจะไปรักษาศีลตามวัดต่างๆ ปีควรจะไปรับสมาทานศีลเป็นวันพระควรจะประกอบคุณงามความดีเพราะเพราะพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ลูกหาลูกหลานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ควรจะปล่อยปละละเลยวันพระ 8คำ15บหําคำพวกเราควรจะใส่ใจควรจะประกอบคุณงามความดีควรจะสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราถ้าเราไม่สนใจไยธรรมะไม่รู้มีไม่มีวันอะไรเลยเกิดมาแล้วก็อยู่ไปหาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไปไม่ได้ ทำคุณงามความดีอะไรไม่ได้ช่วยเหลือชุมชนอะไรเราเกิดมาแล้วก็มีแต่หาใส่ปากใส่ท้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมันก็เข้าขา่ไม่ใช่มนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์ของเราเมื่อได้ศึกษาอันไหนควรอันไหนควรกระทำอันไหนควรประพฤต อันไหนควรจะช่วยเหลือชุมชนอันไหนควรจะทำอะไรต่อชุมชนในที่ตนเองเกิดมาในช่วงในเวลานั้นช่วงนั้นในกลุ่มนั้นในประเทศชาตินั้นพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนควรจะนึกสำเนีจอในจิตใจกับพร้อมกันในหลักของพระพุทธศาสนา ท่านไม่ให้เพียงแต่หาอยู่หากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นท่านให้เข้ามาศึกษาทางด้านนา ม, มาธรรมคือจิตใจข้อหลักของพระศ า, าสนาท่านให้ความสําคัญเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องตัวผู้รู้เรื่องนา ม, มาธรรมเนี่ยสำคัญมากกว่าภายนอกว่ามนโนปุพังตีลงพอ ย, ยกแล้วยกอีกเรื่องทั้งหลาย มีความรู้สึกมีใจใจนั่นก็คือความรู้สึกนะ่ะตัวนักคิดนะตัวนั้นแ่ะเป็นใหญ่เป็นเรื่องของเป็นเรื่องใหญ่เป็นใจเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าสำเร็จหรือว่าเป็นผู้มีอำนาจที่สุดในตัวของเราร่างกายนี่เป็นเออกล้าง กายนี่เป็นเบาแล้เป็นลูกน้องใจของเราเนี่ยเป็นเจ้านายในตัวนึกคิดนี่เป็นเจ้านายนะลูกหลานนะแต่โลกทั้งโลกเขาเนี่ยเขาเขามองไม่เห็นจุดนั้นเขาก็เลยเห็นแต่ร่างกาย แ, แสดงออกมาเขาก็ให้ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นสําคัญนีเพราะการแสดงออกมาแต่ตามไม่จริงมันไม่ใช่ในหลักทัศในหลักพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจังหวัดใจ ตัวผู้รู้คือนามมธรรมตัวนั้นสำคัญใหญ่กว่าที่สั่งให้ลูกน้องมาทำคล้ายๆว่าตัวเจ้านายใหญ่ๆมันหมกอยู่ในสนามเพาะพวกเรามองไม่เห็นแต่มันสั่งให้แต่ลูกน้องออกมาลาวีออกมาสู้ลบตบศึกมาลังแกลบกวนใครต่อใครแต่เจ้านายใหญ่มุดอยู่ใน อยู่ในบังเกอร์นะั่นแหละพวกเราก็เห็นแต่เห็นแต่ลูกน้องมันต่อสู้กับลูกน้องมันอลาวีกับลูกน้องมันเห็นแต่ลูกน้องมันอแต่ในหลักของพระศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้มองลูกน้องนะท่านดิ่งเข้าไปคําสั่งนี่มาจากไหนอมาจากมันอยู่ที่บังเกอร์มันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้น ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านจะให้ความสําคัญหรือว่าตัวการสําคัญตัวการใหญ่มันคือเนี่ยอยู่ในตัวบังเกอร์นะั่นที่สั่งออกมาสั่งออกมาสั่งให้ร่างกายออกมาก ร, ระทำนุกระทํานี่ดานุด่านี้นสแสดงอกับกริย า, อ ย, าอย่างนูอย่างนี้แต่ที่แท้ก็คือตัวผู้รู้คือใจคือนามะธรรมาแต่พวกเรามองไม่เห็นจุดนั้น แต่ในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเอ้ท่านไปค้นคนว้าศึกษาในธรรมคาสอนของท่านท่านว่าจุดนั้น่ะสําคัญจุดตัวนมามธรรมจุดตัวผู้รู้ตัวใจนั่นตัวนึกคิดถ้าหากว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตัวนั้นมาอยู่ที่ไหนเออไม่ต้องดูขอ ง, ของขใครอื่นหรอกให้ดูตัวเองเ อ, อถ้าดูตัวเองขนาดดูตัวเองยังมองไม่เห็นหออ ว่าข้าเป็นใครมีแต่มันออกมาแล้ว่ะจึงรู้ได้แต่ตามไม่จริงถ้าหาว่าเราอยากจะรู้นะจุดนี้นะ่ให้นั่งภาวนาทําจิตใจให้สงบกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละจึงรู้ได้เลยนะโอ้เรื่องทั้งหลายออกไปจากนี้เองนะออกไปจากตัวเอ ตัวการใหญ่นี่เองคือใจนี่แหละอันนี้ให้พวกเราศึกษานะถ้าพวกเราภาวนาจิตใจสงบแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากนามธรรมคือตัวผู้รู้คือใจนหลักของพุทธศาสนาออกไปจากนี้ทั้งหมดนะขะันศรัทธายาจมลูกหลานแต่ท่านก่อนเน้นไปอีกว่าในเมื่อร่างกายแตกตายสลาย ธาตุสี่ดินน้ำลมไปร่างกายนั่นคือมีธาตุสี่ธาตุสี่ก็คือธาตุดินคือกระดกูกธาตุน้ําก็คือเลือดคือปัสสาวะธาตุลมลมหายใจเข้าออกลมในท้องธาตุไฟก็คือทําทานอาหารเข้าไปแล้วก็เผาทำให้ร่างกายอบอุ่นก็เลยเผาอาหารให้ย่อยแล้วก็ทําให้ร่างกายของเรามีเหงื่อมี ร่างกายอบอุ่นธาตร่างกายของเราไม่มีไฟธาตุไฟนะ เ, เราอยู่ไม่ได้ถ้าขาดธาตุลมลมหายใจไม่เข้ า, ไ ม, ขาไม่ออกเราก็ชายตายถ้าขาดน้ํา อ, อน้ําไม่มีร่างในเลือดไม่มีในร่างกายตายแต่ดิ น, นมันเป็นพื้นฐานนะออพอธาตุน้ําลงไปมันอยู่ในแผ่นดินเนี่ยดินเป็นพื้นฐานปตวีธาตุปตวีธาตุคือธาตุดิน อโปธาตคือธาตุน้ําเตโชธาตคือธาตุไฟวาโยธาตคือธาตุลมอันนี้คือเป็นบาลีนะนเป็นบาลีแต่ท่านว่าธาตุทั้งสนั่นกะ็คือปัตตุวีคือดินอโปคือน้ำวายโยคือลมเตโชคือไฟอนนร่าง ก, า ย, กายของเรามีอยู่ธาตุสี่ดินน้ําลมไฟแต่มีพยาพยาจิตรราช เออคือดวงใจนาาั่นเธอท่านว่าตั้งชื่อว่าพยาจิตรราชคือจิตใจ เ, เ, เข้ามาคลองอยู่ในธาตุสีนี้ในเมื่อเข้ามาในครองในธาตุสี่นี้แล้วก็บัญชาการนี่พยาจิตรราชบัญชาการร่างกายเอเพราะว่าร่างกายมันมีมีอยู่ขันมีอยูอขันห้าตาหูจมูกลิ้นกายตา ใช้ไปทางหนึ่งหูใช้ไปทางหนึ่งจมูกใช้ไปทางหนึ่งลิ้ไปใช้ไปทางใยใช้ไปทางหนึ่ ง, งนี่แหละพยาจิตรราชเข้ามาอยู่อยู่ข้างในอยู่ในตัวของเราตาไปเห็นรูปตากระสงเข้ามาหาหาใจเพราะใจมองไปทางทางตาหูได้ยินเสียงกระสงเข้ามาหาใจคือตัวผู้รู้จมูกกลมกลิ่นริมรสสัมผัส ทางร่างกายก็เข้ามาสู่ใจทั้งหมดสรุปแล้วก็คือใจของเราเนี่ยไปรับรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ่นทางกายสรุปแล้วก็คือกายของเราเหมือนกับรถเนี่ยเอเหมือนกับรถนะหลงพ่อเปรียบเปรียบอย่างอื่นก็ไม่ชัดเจนนะลูกหลานเอร่างกายของเราเหมือนกับรถ เ, เวลาเราจะไปกลางคืนล้วก็เปิดไฟรถเปิดแสงสว่างตามก็สว่างไปนั่นแหละ คือเราใช้ใช้ใช้ตามันออแล้วแต่แตรมันก็คือหูมันคนละแนวกันนะออใช้รถเหมือนใช้คนละแนวกันนะออถ้าไปเห็นคนมันจะไปใช้ตาใช้ตาก็ใช่ต า, ตาเหลือกใส่มันก็พกโพดพอจะรู้ได้แต่ใช้เสียงน่ยดีกว่าออบีบตแตร์นี่แหละจะลบแล้วก็คือ ทางตาทางหูทางจมูกทางริ้นทางกายมันกเข้ามาหาตัวโซเฟอร์ทั้งหมดในโซเฟอร์ขึ้นไปขับรถนะควรจะไปทางไหนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างไรในโซเฟอร์เข้าไปควบคุมรถแต่ทางว่าโซเฟอร์ที่ขับรถคันนี้เนี่ยไม่มีมารยาทที่ดีไม่ได้รับการอบรมศึกษาที่ดีโซเฟอร์เป็นภาละชนเป็นคนชั่ว เป็นคนนิสัยไม่ดีเมื่อขับรถเข้าไปก็เห็นคนก็เฉี่ยวคนชนคนเหยียบสัตว์ชนหมูชนมาไปเรื่อยทั้งที่จะรอระวังก็ทำชนไปเรื่อยอันนี้ไปว่านิสัยนิสัยโซเฟอร์อไม่ดีนี้ก็เหมือนกันเมื่อเราจิตใจของเราไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการศึกษาที่ดีไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีคนนั้นน่ะ ในคนคนนั้นการพูดก็ดีการแสดงอากับกิริยาอย่างไรออกไปก็ดีล้วนแล้วจะเป็นทางเสียหายเพราะาอะไรเพราะว่าใจของเขานะ่ไม่ได้รับโซโฟเฟอร์ของเขาน่ยไม่ได้รับการอบรมใจของเขาไม่ได้รับการอบรมอันนี้ควรนะอันนี้ถูกต้องนะอันนี้สูงนะอันนี้ต่ำนะ เ, เราเกิดมาจากไหนเรามาเกิดมาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เลี้ยงดูเรามานะ เราไม่ใช่ว่าเกิดมาโพโลพเพลย์จากจากจอมปลวกหรือการจากโพรงไม้เราไม่ใช่นะเรามาเกิดจากพ่อแม่นะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามานะในเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราควรจะทดแทนพระคุณของพ่อแม่อย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาลูกทุกคนจะต้องคิดนะนะที่นี้ถ้าเป็นผู้มีได้รับการอบรมได้รับการศึกษาได้รับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณนะ เ, เป็นผู้มีอุปการะคุณแต่ว่าเป็ น, ปนบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนในเมื่อพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะกับเราอย่างนี้เราควรจะแสดงความกระตันยูกระตวเวทิตาอย่างไรต่อผู้มีอุปการะคุณกับเราเนี่แหละอันนี้คือพวกเราผู้เป็นบุตรที่ดานทั้งหลายควรจะคิดนะไม่ใช่ว่า สิ่งไหนที่จะทำทำตามมอาเภอใจตามทางมัทธาใจตัวเองอยากตัวเองอยากจะทำพ่อแม่ทุกใจขนาดไหนญาติโกโหติกาทุกใจขนาดไหนไม่ได้คิด เ, เพราะเหตุไรเพราะคนคนนั้นไม่ได้รับการอบรมไม่ได้รับการศึกษาที่ดีท่านผู้นั้นได้รับการศึกษาในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าสอนได้เลยว่า บุพการีบุคคลผู้มีอุปกรณ์พวกเราที่เกิดมาจากพ่อแม่พวกเราควรจะแสดงความกตัญญูกตวที่ตาอย่างไรกับพ่อแม่ของพวกเราเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วให้เลี้ยงท่านตอบฮะท่านวัดเมื่อท่านเลี้ยงเรามาแล้วเมื่อเราเราใหญ่ขึ้นมาให้เลี้ยงท่านตอบทํากิจธุระของท่านดํารงวงศสกุล พระพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงรับไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านพวกเราได้ตรวจตราดูพวกเราเลยอย่างสมบูรณ์เลยอย่างตามเนี้ยเออเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเราเที่ยงเลี้ยงท่านตอบหรือเราจะให้แต่ความไม่ดีกับพ่อแม่พ่อแม่ทกใจกับเราอยู่ตลอดอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ให้พวกเรามองดูตนเองนะ อย่าไปคิดว่าตัวเองเก่งฉเฉลียวฉลาดทีเดียวนะเอผลในสุดนะความฉเฉลียวฉลาดนะคือความโง่อย่างโง่อย่างมากๆเออไม่รู้จักพักคุณของพ่อของแม่ทําให้พ่อแม่นักอกตักใจกับเราสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกท่านนะตรวจตราดูตนเองทุกคนนั่นแหละ เ, ออเมื่อพ่อแม่เรียกดูเรามาแล้วนี้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะที่หลวงพ่อได้นํามาบอกมากล่าวไม่ใช่คำคำคำสอนของหลวงพ่อนะ หลวงพ่อได้ศึกษามาทําคําสอนมาแล้วหลวงพ่อก็นำมาบอกกล่าวตักเตือนให้ลูกหลานได้ฟังจริงไหมเนี่ยที่หลวงพ่อพูดออกไปเนี่ยทำคำสอนของ พ, อพระพุทธเจ้าหน่จริงไหมหลวงพ่อจริงซะก่อนหนะลวงพ่อพิจารณาดูแล้วนี่ว่าจริงจึงได้นํามาบอกมากล่าวให้กับคณะัาทหาญาติโยมลูกหลานได้ฟังให้ศึกษาจริงไหมเมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อเอาเถอะทีนี้ ในเมื่อเราเมื่อเราแต่งงานไปแล้วเราได้เราได้เราได้ลูกมาเลยเมื่อเราได้ลูกมาเนี่ยลูกอย่างเราเนี่ยแหละไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่ เ, เราจะภาคภูมิใจมถ้าเป็นลูกของเราเหุนึกย้อนดูถ้าหากว่าเป็นลูกของเราเราทำตัวอย่างนี้อย่างที่เราทำเนี่ยะถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะภาคภูมิใจไหมถ้าภาคภูมิใจเออก็ไม่ว่ากัน ออีกสักวันหนึ่งนะ่ะเราจะนั่งที่ไหนก็น้นําตาเช็ดหัวเข่าทำง้นเถอะเช็ดแขนแล้วก็เช็ดเอามือเช็ดแขนนแขนก็เปียกหมดนะผลที่สุดไม่มีที่เช็ดน้ําตามันหลังมันไหลต้องตั้งนะนั่งขึ้นมากับน้นําตาเช็ดหัวเขา่าคนโบราณเขาว่านะนี่แหละเ อ, อสิ่งเหล่านีนะ้เมื่อพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วท่านทุกยากลําบากลําบากขนาดไหนเราก็ควรจะรู้จักบุญคุณ สิ่งไหนที่ท่านจะทาให้ท่านหนักอกหนักใจกับเราเราก็ควรจะทาตนให้เป็นคนดีอย่าให้ท่านหนักใจเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาใหญ่แล้วเรามีขาสองขาสองสมองหนึ่งขาสองแขนสองสมองหนึ่งพร้อมแล้วที่เราจะเดินต่อไปภายภาคหน้าสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกท่านคณะจตหายาโยมลูกหลานทุกคน ถ้าหาว่าพระสงฆ์ไม่พูดก็ไม่รู้ใครจะพูดเหมือนกันนะถ้าหาว่าพระสงฆ์พูดบางทีบางคนกเ็เครื่องเครื่องใจแต่อย่าไปเครื่องทําใจให้เป็นกลางๆการฟังสิ่งไหนมาก็ตามอย่าไปเข้าข้างอย่าไปเข้าข้างนี้เอย อ, อย่าไปต่อต้านให้ฟังไปก่อนเ อ, อถูกไหมที่ที่เราได้ฟังได้ยินมานีนี้นี่แหละเนี่ว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาเลี้ยเลี้ยงท่านต่อทํากิจธุระของท่าน พ่อแม่ของเรามีกิจธุระอะไรเราก็ต้องช่วยกิจการงานนั้นของพ่อแม่กิจการนั้นดำรงวงสกุลอันนี้เกี่ยๆกคล้ายๆกับในเอเชียของเรานี่ถ้าว่าพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วท่านก็มีความมุ่งมั่น ม, มุ่งหมายมีความตั้งใจอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายดำรงวงสกุลสืบทอดจากท่านไป แล้วก็ประพฤติตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกประพฤติตนอย่างไรแต่ตัวเองกินเหล้าเมายาสัมฤทธเทเมาสุรานารเรเา่ไม่รู้จากบ้านไม่รู้จักเรือนแล้วอยากจะให้พ่อแม่มอบมรดกให้กับเราท่านจะไว้ใจท่านจะมอบให้ได้อย่างไรเพราะท่านหามาด้วยความยากลําบากเราทําตัวไม่ดีไม่สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกของท่านได้ท่านก็ต้องรักษาไว้ เออจนกว่าท่านจะตายเลยไม่ได้ล่ะถ้ามอบให้มันกูยังไม่ตายเออมรดกหมดนล้กูจะไปอยู่ที่ไหนเออเราจะไม่มอบเด็ดขาดลูกอย่างนี้นี่แหละพ่อแม่ท่านก็ต้องมองดูอีกเหมือนกันผู้ที่จะไว้ใจได้เออทำหน้าที่ของเราดีจงรักพักดีรักพ่อแม่รักพี่รักน้องรักวงศาคณาญาติอีกต่างหาก แล้วก็เชื่อฟังในโอวาทของพ่อแม่อีกเรืองหนึอ้ามีเท่าไหร่มอบให้เลยเออมอบไปลูกไม่ให้ลูกจะให้ใครแหมแต่ถ้าว่าลูกไม่ดีแล้วจะมอบให้ได้ยังไงฮสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายคิดนะแหอศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนะคิดอสิ่งที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวไปนี้น่แหละทางว่าพวกเราท่านทั้งหลายยังขาดตกบกพร่องอยู่จุดไหนให้พวกเรามอง และก็ปรับปรปุงแก้ไขตัวเองนี่แหละเราต้องทำตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เมื่อถึงขณะท่านตายไปแล้วนะท่านก็ยังไม่ให้มอ ง, มองไม่ให้ปล่อยป่าละเลย เ, เพราะว่าร่างกายของเราเตั้งแต่หัวจดเท้าเนี่ยเราได้มาจากใครมาจากพ่อแม่ เราได้มรดกชิ้นนี้มาจากพ่อแม่ถึงพ่อแม่จะล่วงรับรับขันตายไปแล้วก็จริงแต่ว่ามรดกของท่านยังอยู่กับเราเราไปทําคุณงามความดีนักสถานที่ใดอย่างวันนี้แหละมาทําบุญตักบาตรกับพระสงฆ์ทั้งสี่ห้าสิบรูปเนี่ยพวกเราก่อนเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรพวกเราเออดวงวิญญาณของพ่อแม่ของข้าพเจ้าเสิ่งสถิตอยู่นถะิ่นใดตกทุกข์ได้ยากอย่างไร ข้าพเจ้าได้มาทำบุญหน้าวันในตักบาตรขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำขอให้ดวงวิญญาณพ่อแม่ปู่ย่าตายายของข้าพเจ้าจงประสบความสุขความเย็นใจความสุขความเจริญถ้ามีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยเถิดให้เรานึกคิดอย่างนั้นเวลาเราทาบุญเพราะว่าปู่ย่าตายายของเราเนี่ย อย่างน้อยก่อนพ่อแม่ของเราบางคนก็ได้รับมรดกจากปูจก่จากย่าจากตาตาจากยายมาเป็นทอดๆอดจากนั้นก่อนในแบ่งมรดกมาให้กับเราสแรสดงแสดงว่าพ่อแม่ของเราคนรับมาจากพ่อแม่ของท่านและก็ปู่ย่าตาทวดของท่านมาเป็นทอดๆอดพวกเราเพราะฉะนั้นปู่ย่าตาทวดเหล่านั้นเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราเราเมื่อได้รับมรดกจากท่าน เหล่านั้นแล้วอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ท่านอันนี้เป็นหน้าที่ของบุตรทิดาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกทุกท่านนะณักจัดทาญาติยาโยมถ้าผู้ใดไปอยู่ณักสถานที่ใดล้ำลึกถึงพระคุณผู้มีอุปกรณคุณแล้วนะคนนั้นจะไม่ตกต่ำไปอยู่ณักสถานที่ใดมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจิตใจจะมีความสุขเ พ, เพราะเป็นผู้มีความกตัญญู่กตัญญูกะตะเวทีตา ผู้มีอุปกรณคุณแต่ผู้ใ ด, ดก็ตามนะ เ, เกิดมาจากพ่อจากแม่เนรคุณพ่อแม่ไปอยู่กับพี่ป้าน้าอาอขอเนรคุณพี่ป้าน้าอาอไปอยู่ในสถานที่ใดเนรคุณคนไม่ดีทั้งนั้นมัญหาความสงบสุขไม่ได้ถึงตัวเองจะว่ามีความสุขกเนะ็เถอะนะแต่อีกสักวันหนึ่งกรรมนั้นจะตามสนอง ถ้าเราไปอยู่นสถานที่ใดกรรมนั้นจะตามสนองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านที่ได้พูดกล่าวเรื่องธรรมะหรือว่าแนวธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาให้กับพวกเราคณะท า, า, าญาติโยมลูกหลานได้ฟังไปอยู่นสถานที่ใดเราเกิดมาจากใครถึงจะเกิดมาเป็นสัตว์ที่ไรฉานพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ลืมพระคุณของพ่อแม่ท่านทั้งเกิดเป็นลิง เออพราะพระุทธเจ้าเกิดเป็นลิงแม่ตาบอดแม่ตาบอดแล้วก็ตัวของท่านเป็นหัวหน้าจ่าฝุงแต่มีมีน้องชายอยู่ตัวหนึ่งน้องลิงเหมือนกันลิงแม่นั้นมีลูกสองตัวมีตัวใหญ่มีลูกชายตัวใหญ่แล้วลูกชายเล็ก ต่อมาแม่มันตาบอดเพราะแม่ตาบอดลูกชายตัวใหญ่นะก็เป็นหัวหน้าจ่าฝูงเพราะร่างกายใหญ่แข็งแรงเป็นจ่าฝูงเวลาก็เดินนาหน้าออกไปหากินโตไปนํหน้าก็ต้องได้อาหารดีเป็นธรรมดาได้ผลละหมากหลากไม้ได้มาแล้วก็ส่งมาให้ลูกน้องให้ลูกน้องส่งมาให้แม่แต่น้องชายก็อยู่กับแม่ดูแลแม่ เอพอมาแล้วก็ลิงก็อย่างว่านส่งมาให้แม่ลิงมึั้งคําว่าลิงเนี่ยเอมันจะให้มาสม่ําเสมอไม่ได้มันก็ขาดตกปบกพร่องบางทีก็ยังเหลือนินดๆหน่อยอมันดีๆมันก็กินซักเนี่ยที่เนยที่นายใหญ่ที่หัวหน้าส่งมาให้ผลในสุก็เลยมาถามถามน้องชายดูเอ้ยเป็นไงที่อ่าที่ผลไม้ที่เราส่งมาให้เนี่ยเออ ดีไหมโอ้ไม่ดีพี่เอรู้สึกว่าบางทีก็เจงเหลือนิดๆหน่อยๆเออพอทานเราทําอย่างนี้เราเลี้ยงแม่ของเรานะคงไม่สมบูรณ์ป่ะเราออกไปหาที่อื่นป่ะหนีเถอะวะหนีไปอยู่ที่อื่นเพื่อไปเลี้ยงแม่กันนี่แหละลิงพ่อโพธิสัตว์ถึงขนาดนะนะท่านเป็นลิงท่านยังไม่ลืมบุญคุณของพ่อแม่เอพอตกกลางคืนเดือนหงายเท่า น, นั้นนะเอาแม่ขึ้นขี่หลัง ไปเลยสามตัวนะทั้งน้องด้วยไปให้หนีหนีออกห่างออกจากหมู่ไปให้เขาบอกไปอยู่อีกดงหนึ่งแหละให้อยู่ห่างออกจากไปจากหมู่เพราะว่าถ้าอยู่กับหมูเนี่ยเลี้ยงอาหารเอาอาหารไปให้แม่ยลิยงบริวารก็กินหมดถ้าว่าจะเอาแม่ไปด้วยก็ไม่รู้จะทําไงมันจะมันฝูงใหญ่เมื่อกลบหลบหนีไปอยู่ตามลําพัง ผลวใสชุดก็นะี่ยไปอยู่มันก็ใกล้แดนมนุษย์คงจะเป็นแดนมนุษย์อยู่ในถินนน่นั้นดังนั้นแต่ตัวใหญ่แม่ลูกทางบางทีกับน้องไปหาผลไม้มาเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่บางทีกับพี่ไปหาผลไ ม, ม้มาเลี้ยงน้องเลี้ยงแมนะ่ลักษณะอย่างงั้นดะสลับกันแต่ <c oughs> ข่าวนะั้นมันครับ เคาะเข็นเวรกรรมมาถึงเคาะเข็นเวรกรรมมาถึงเวรเวรที่กรรมที่ได้กระทำไปในอดีตมันมาถึงวันนั้นนายพรานออกไปจากบ้านพรานหาล่าสัตว์ออกไปหาล่าสัตว์ในป่าพอหาล่าจะหายิงอะไรก็ไม่ได้พอกลับมาเนี่ยลิงสามตัวยอยู่ในต้นไซใหญ่ต้นหนึ่ง ต้นไซใหญ่มันเป็นทางเป็นเป็นททางผ่านของคนอยู่ในดงอะ่ะเออมันก็คนไปอย่างหวานมันก็ไปหายิงมันก็ต้องมุดไปเรื่อยเออตามพรานมันหายิงสัตว์อย่นี้ไอสามแม่ลูกเนี่ยก็อยู่ในต้นไซใหญ่เออพอพี่ชายเห็นคนผ่านมาพี่ชายโอลิงโคน เออเพราะคนคนเท่านั้นไอ้น้องชายกับเปีตแป๊กลบเล่าแต่เอาแม่หลบไม่ทันนะแม่นะี่ยนั่งตรงหม้งอยู่ตาบอดเนเอยนั่งตรงหม้ออยู่กิ่งใสนะมันนะเออมันคงไม่ยิงมั่งคนถ้าไม่จําเป็นจริงมันคงไม่ยิงไม่ยิงลิงเไะเออลิงตัวตัวหัวหน้ามันคิดอลูกชายโตโ ต, ต, ตมันคิดมันถ้าไม่นั่นคงมันคงไป่ยิงมั่งทีนี้ก็พอมาเห็นเอง นายพรานเนี่ก็เห็นออืวันนี้ไม่ได้อะไรเลยว่ะหายิงสัตว์ไม่ได้เลยเอาลิงตัวนี้ละไปกินว่ะพอว่านก็ขึ้นักขาธนูเลยกันเออพู้ขึ้นขาธนูเลวก็เอออ้าวมันจะยิงแม่เราแท้ๆนะว่ะไอไอไอไอพานนี่ยว่ากันออพอจากนั้นะเอมันจะยิงแม่เราด้วยไงไอเนี่็โดดออกไปจากที่กำบังเลยว่ะลิงตัวใหญ่เนี่ยบอกให้น้องดูแลแม่นะเพาะั้น เดี๋ยวข้าจะไปตายแทนแทนแม่พ่อว่านะก็วิ่งออกไปไปก็ไปขวางเลยไปขวางขวางทางที่นายพานจะยิงนายพานก็ไม่ยิงเลยใช่ไมไม่ยิงแ ม, ม่ก็เห็นลูกเป็นตัวโตสมบูรณ์กว่าใช่ไหมลูกชายมันก็ปอบธ น, นูอาบด้วยยาพิษขึ้นไปอะไรปดตบเลยอีกสักหน่อยมันก็ลิ่งตัวนั้นก็ตกตู้ลงมาจากต้นไม้ พอตกจากต้นไม้ทีน้ไอ้ลิ้งตัวน้องชายมันคงจะเอาตัวเดียวคงจะพอมากเอีมันคงจะไปยิงแม่ของเราอีกเนีเพราะว่าถ้านั้นไอ้นี่เกิดยังไปจะเอาอีกมันจะเอาแม่มันอีกทีนี้ยังยิงตัวแม่อีกตัวตาบอดไอ้ลูกชายโอ้ไม่ได้เนี่ยมันจะเอาแม่เราเนี่ยโดดออกไปอีกมันไปขวางอีกเลยลิงน้องชายเลยพอยิงพอเนี่ยก็เอายิงอีกใส่เปิดอเต้าตกลงไป พอในโซ่ก่อนเอายิงเอายิงเอาทั้งสามตัวอะไรเหมืนนอะเออได้ทั้งสามตัวเอาทั้งลูกชายต้องชายทั้งแม่มันด้วยเหมือนนเอะตายเลยวเออทั้งหาบทั้งหิวนะ่ะสองตัวก็ใส่ไม้คานก็หาบตัวหนึ่งก็หิวแนตะ่มัดขายารวมใส่กันหลไรหิวเลยตนะอวพอมาถึงเนะ่บาปกรรมอะไรก็ไม่รู้ไฟไหม้บ้านของตาแกนะ่ะพรานคนนั้นนะ พอไม่ภยัยไฟไหม้บ้านตาแกก็เ อ, อเสีย อ, อกเสียใจกระโดดเข้าไปกองไฟกไฟไหม้อีกเ อ, อตาแกก็ตายแผ่นดินสูบอีกต่างหากนะนั่นแหละพระพระองค์บอกว่าในชาตินั้นนะ่ะเราเป็นลิง เ, เป็นลิงพี่ชายเ อ, อแต่อานนท์พระอานนท์เป็นน้องชายเราแต่แม่ของข้องเราคือแม่ของเราปัจจุบันในชาตินี่แหละ ในชาตินั้นเราเป็นลิงขนาดเราเป็นลิงอย่างเรายัางแสดงความกระตันอยู่กตเ ว, วที่ตาตายแทนแม่แต่นายพรานคนนั้นคือพระเทวทัตนี่แหละการจองกรรมจองเวรกันไม่ใช่ธรรมดานะเกิดเป็นลิงเหมือนยังจองกันอยู่ในหลักของพุทธศาสนาอันนี้มาในชาดกนะคณะทายาทโยมลูกหลานนี่แหละพระพุทธเจ้า ท่านสวยพระชาติขนาดเป็นลิงท่านยังไม่ลืมพระคุณของพ่อแม่ที่ได้เลี้ยงดูท่านมาพ่อขนาดแม่ตาบอดท่านยังเลี้ยงดูเวลานายพลานจะยิงแม่ท่านยังไปขวางท่านตายแทนแม่ของท่านได้นี่แหละอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายทุกทุกคนนะที่ได้พูดได้ฟังได้กล่าวให้ฟังให้ระลึกถึงพระคุณผู้มีอุปการคุณสาหรับพวกเรา ถ้าพวกเราระลึกถึงบุญคุณของพ่อของแม่ของผู้มีอุปกระคุณอยู่ตกน่าจะฐานที่ใดตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่หไหม้เพราะอหลเพราะคนดีนะถ้าว่าคนไม่ดีนะอยู่ที่ไหนมีแต่คนดูถูกเหกียดหยามนะกรรมไม่ให้ผลในชาตินี้กับชาติต่อไปนะต่อไปภายภาคหน้าถึงจะอยู่เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาก็ น, นี่แนหะมีแต่คนดูถูกเกียดหยามเราเพราะเราเป็นผู้ไม่รู้จักบุญคุณของ ผู้ผู้มีอุปการะคุณนะในพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอันนี้เป็นธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานท่านให้ะระลึกถึงบุญคุณของผู้มีอุปการะคุณท่านมาให้ประมาทนะต่อ น, นี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรนะ